ขพราความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประภูติยานในวันนี้พระผู้มีพระภาคยาาทรงแสดงในรูปของภาวนาที่เรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย จะเนื่องจากกิเลสภายในใจของบุคคลนั้นมีแตกต่างกันจุดวันวิธีการปฏิบัติจึงทรงใช้โดยสูตรใหญ่เป็นรูปของศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติในแนวนี้นเรียกว่าในส่วนของภาวนาแต่บางอย่างก็ทรงสอนในแนวที่เรียกว่าวาหนะ คือการลากความชื่อในหลักข้อนี้ก็ให้ตรวจสอบสภาพจิตที่ปรากฏในขณะนั้นๆ้หรือจิตเรามีอะไรอยู่ในขณะนั้นคอยรู้ตามความจริงว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นตัวอย่างเช่นในขณะนี้จิตประกอบด้วยกามฉัน ยังจดจึกนึกยังเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจการเหนียวนึกนั้นอาจจะเป็นอารมณ์ในอดีตก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์จจนมในปัจจุบันก็ได้หรืออาจจะมีการไปวันจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตก็ได้ไปรู้ตามความจริงว่า ขณะนี้จิตเราประกอบด้วยกามฉัน์แล้วก็ดูตัวจิตนั่นเองว่าจิตที่ถูกกามฉันน์กุ้มนุ่มมีอาการอย่างไรทุกคนก็จะเห็นความร่าร้อนที่เกิดขึ้นภายในจิตมีอาการทัศนสายของจิตแกวงไปแกวกมาของจิต ได้มีอาการกระซิบอยู่ภายในจิตก็ให้เกิดความปรารถนาที่ต่อนเนื่องกันไปจากสิ่งที่ตนกำลังปรารถนาอยู่ซึ่งจงใช้คำว่าและใคร่ปรารถนาพอใจต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการในสิ่งที่ตนได้ตนมีเป็นเป็ น, ปนดำรงอยู่ หรือต้องการที่สิ่งที่ตนเคยได้เคยมีเคยเป็นให้ย้อนกลับคืนมาเป็นตนจิตที่ถูกคุ่มนຽนด้วยอารมณ์เหล่านี้เมื่อเรารู้ตามความจริงแล้วก็วิเคราะห์ตรวจสอบดูว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราโดยปกติแล้วแกก็ไม่ได้เกิดอยูทุกขณะจะเกิดบางขณะบางโอกาสเท่านั้นเองเมืต่ตรวจสอบ ตัวสอบไปก็ชม ว, ว่าการที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากสุภาัญญาห ร, หรือสุภาสัญญาหรือสุภานิมิตในการที่จิตไปกำหนดหมายสิ่งนั้นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องแรูปเสียงกลิ่นรสโปทธาพาสเหล่านั้นเมื่อก็มีมาแล้วแน่นีต กาลังมีอยู่ในปัจจุบันและจักมีในอนาคตบางการสายไปของจิตจึงสายได้ไปนในกาลทั้งสามและบางทีก็จะเป็นการสายในลักษณะเชื่อมต่อกันเช่นเคยมีสิ่งใดซิ่งหนึ่งที่ตนชอบอยู่ในอดีตสิ่งนั้นก็รักษาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็ปรารถนาที่จะเพิ่มเติม สิ่งนั้นขึ้นในโอกาสต่อไปแสดงว่าวัตถุที่เรากำหนดนั้นมันก็เชื่อมอยู่กับการทั้งสามใจก็แล่นไปในการทั้งสามดอก น, น, มนการกำหนดหมายว่าหน้าใครหน้าปรารถน า, ห น, าหน้าพอใจจึงไม่เจาะจงการแต่เจาะจงวัตถุซึ่งอาจจะปรากฏที่การไหนก็ได้ โดยพื้นฐานปกติแล้วมีความเกี่ยวข้องกับวัยหรือสาสนาของบุคคลในขณะนั้นๆอยู่ด้วยจึงคนที่ร่วงการผ่านวัยมาแล้วจะไม่ก็ ย, ยินดีในปัจจุบันมองเหนอนาคตด้วยความหมดหูใจทพระทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสทมขึ้นโดยลำดับใจมักจะย้อนกลับไปสู่การม่ชั้นที่เป็นอดีต คือสิ่งที่ตนเคยรักใคร่พอใจปรารถนาต้องการชื่นชมอยู่ในอดีตความคิดตลอดตั้งการพูดของคนในล่วงการผ่านไปมามากจึงอยู่กับอดีตอดีตเป็นจริงที่ให้ความบันเทิงใจความชื่นชมแก่ท่านส่วนคนที่อยู่ในวัยที่กำลังทำงานประสบความสำเร็จ ก็จะชื่นชมอยู่กับสถานะความมีความเป็นการได้ของตนในปัจจุบันแต่บางคนที่ยังเริ่มขอร่างสร้างตัวก็จะมีการขว่คว้าปรารถนาผลที่ดีงามตามความต้องการของตนในหนาคนตอนนี้ตองนั้นก็ขึ้นจากจิตที่กําหนดว่าสิ่งนั้นดีสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจนั่นๆ ที่ทรงเรียกรวมรวมว่าสุภาสัญญาคือการกำหนดหมายว่างามทีนี้แล้วก็สอนให้ทรงสอนให้มองในชั้นต่อไปว่าการมาฉันทะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นโดยอากาศอย่างนี้ทำยังไจงจึงจะไม่เกิดขึ้นอีก ในทางการปฏิบัติแล้วที่จริงก็เป็นเรื่องแก้โดยวิธีตรงกันข้ามคล้ายๆแก้ร้อนด้วยเย็นแก้มืดด้วยสว่างเพราะงั้นการจะแก้ความรู้สึกเหล่านี้ก็ต้องแก้ด้วยอสุภาสัญญาคือมองในจุดนั้นนั่นเองแต่ให้เห็นทั้งความจริงทั้งสิ่งนั้น ตามปกติแล้วการยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายของบุคคลนั้นทรงแสดงว่ามีอยู่สองแนวแนวหนึ่งคือรวบถือเอาสนใจคาว่าถือโดยนิมิตคือรวบถือเอาแนวหนึ่งเป็นการถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกส่วนย่อยของสิ่งต่อนั้ออาจจะมองคนมองรถมองสิ่งของมองดอกไม้มองผลไม้มองอะไรก็ได้ เรียกมองรวมกวับมองแยกตป็นสังเกตจิตใจของบุคคลที่รักใคร่พอใจในสิ่งต่างๆนั้นบางครั้งรักใคร่พอใจหมดเลยทั้งชิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งส่วนนั้นๆอาจจะเป็นศาสตร์ก็นับเป็นตัวไปเลยก็อชอบหมดทั้งตัวฉัเรียกว่าอย่างนี้เป็นการกําหนดหมายโดย พยัญชนะคือรวบถือเอากำหนดแนวเป็นชิ้นเป็นนั้นประการที่สองนั้นเป็นลักษณะของการแยกถือจะเป็นกำหนดที่คนก็อาจจะกำหนดว่าผมสวยตาสวยจมูกสวยปากสวยคือเอาก็เป็นชิ้นชิ้นรถก็กาหนดตัวนั้นสวยตรงนี้สวยตรงนั้นไม่สวยแต่ส่วนที่สวยก็ชอบส่วนที่ไม่สวยก็ไม่ชอบ เพรในวัตถุเหล่านั้นเองใจมันก็เกิดกิเทียร์จสองกระแสในส่วนที่กําหนดหมายไป็สวยมันก็เกิดโลภะหรือหลักขันในส่วนที่กําหนดหมายไม่สวยก็เกิดปฏิฆะด้วยความไม่พอใจความรู้สึกจึงไม่ค่อยแรงเท่าการถือประเภทแรกเพราะว่าน้ําหนักมันต่ำกว่า ถ้าไปพินิจพิจารณาให้เห็นส่วนย่อยเหล่านั้นไม่ดีเพิ่มขึ้นไป ด, ด้วยน้ำหนักน้ําหนักส่วนที่มองเห็นความจริงว่าไม่สวยไม่งามมันจะเพิ่มขึ้นจิตใจก็จะคลายกําหนักจากเรื่องหล่านั้นเพราะโดยอุบายยุิทีที่จะต้องการให้คนมองเห็นถึงความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหลนั้น จุดหมาย ก, ก็คือต้องการจะถ่ายตอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึกจิตความเพลดเพลินในรบทั้งหลายจะน้อยก็ไม่โลบร่วงเกินไปหรือในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่รุนแรงเกินไปเฉพาะในส่วนของการมชฉานิวรนั้นก็คือต้องการลดละบันเทาความรู้สึกในสายของกรรม แ่านถ่าก็สอนในมองในจุดนั้นนั่นเองที่รวบถือก็มองทั้งรวบเลยคือมองทั้งชิ้นทั้งอันของสิ่งตัวนั้นยานที่พระพุทธเจ้าจทรงใช้อุบายวิธีในการสั่งสอนภิกษุณีผู้ใหญ่ก่อนที่ท่านจะอยู่ในฐานะนั้น ตามปกติแล้วภิกษุณีเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีความสวยงามเป็นยอมรับทุกจ้องของบุคคลทั้งหลายเจตพระเกมาเรีรีหรือพระรูปนันธาเีรีเป็นต้นวิธีที่จะสํำร้องความกําหนัดความเพลิดเพลินดีในร่างกายของท่านออกไปได้เมื่อต้องใช้วิธีอื่นคือใช้กายของบุคคลอื่นเข้ามาสำรอ้อง แัง้นเมื่อท่านเหล่านั้นไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเกิดก่อนจะพูดจะแสดงธรรมะอะไรสรงใช้การเสริมสร้างความคิดเกิดท่านเหล่านั้นมองภาพภาพหนึ่งที่สวยงามมากจึงเกิดขึ้นจากพุทธนิมิตเป็นการเห็นระหว่างพระพุทธเจ้ากับพิษุนีกับท่านรูปนั้นกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเอง เป็นภาพของผู้หญิงที่สวยงามกว่าท่านเหล่านั้นมาคนรักสวยรักงามมันก็ชอบดูความสวยงามปณิใใจ ai ขอท่านแทนที่จะส่งไปในที่อื่นมันก็ส่งไปในภาพที่สวยงามนั้นที่จริงใจก็รวมเป็นการมองโดยใจรวมอยู่ในชิ้นนั้นการรวมในลักษณะนั้นก็เป็นอาการของสมาธิอย่างหนึ่ง ถึงแม้นในต้นต้ น, ต น, ตนจะเป็นนิสัยสมาธิหรือความตั้งมั่นในทางที่ผิดกระามแต่ก็แปรสภาพได้เมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าใจิตใจของท่านจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นตาก็เพ่งมองใจก็ตรึกนึกชื่นชมกับความสวยงามในร่างกายนั้น<ป>จนสามารถน้อมกลับมาที่ตัวได้เพราะรูปนี้สวยงามประณีตกว่ารูปของเรา ความคิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแสดงว่าสำรอกความกำหนัดในกายตัวเองเออกไปได้ระดับหนึ่งและเมื่อโอกาสมาถึงข้าวก็สรงบันดาในภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วจากรูปผู้หญิงสวยงา ม, มาอายุสิบห้าสิบกแล้วผ่านการเวลาไปอย่างรวดเร็วในทากลางที่ผ่านการเวลาไปนั่นก็มีโรคภัยเจ็บปีดเบียนปรากฏที่เห็นทุกระเวงตนาน ตกเวทนาต่างๆปรากฏเด็กยางกายเป็นคนแก่ยุถึงร2อยยี่สิบปีเกิดไข้จับจางแรงด้นในสุก็ตายลมกลิ้งเกลือกลงที่พื้นแล้วก็ตายไปสภาพโศกก็เปลี่ยนแปลงเป็นความเปิดเน่าในเวลาที่รวดเร็วท่านเรานั้นท่านเ่านั้นก็เห็นภาพเหล่านั้นมีกลิ่นเหม็นมีความปฏิกูลปรากฏ น้อมนึกก็มาหาตัวเองได้เพราะขนาดรูปประณิษเชน่นนี้ยังถึงความเสื่อมสลายไปในักสถานี้แม้เราเองก็คงจะเป็นอย่างนี้สแสดงว่าจิต ท, ท่านพร้อมท่านเริ่มความคิดแล้วท่านได้ความคิดมีตัวอย่างให้เห็นในขณะนั้นพระอเจาเริ่มสแสดงเป็นแสดงแก่พระเขมาทเทวีก็บอกว่าเขมา ร่างกายนี้เป็นที่อาคูณเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความมีสิ่งปฏิกูลหลเข้าไหลออกในร่างกายเราอยู่หนึ่งนิดร่างกายของคนนี้ฉันใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นร่างกายเธอก็ฉันใดร่งากรงกายผู้นี้ก็ฉันนั้นแล้วก็ทรงแสดงถึงสถานะของพระองค์ ที่มองเห็นโทษของกายมองเห็นโทษของการที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่ในกายจนสลัดความกำหนัดความพอใจนั้นออกมาได้ในสุดเมืท่านศึกษาตามพิจารณาตามไปแล้วก็บรรลุผลไปครนี้จะเห็นได้ว่าก็คือเรียนจากข้างนอกถ้ายังไม่พร้อมจะเรียนจากข้างใน แต่บางอย่างก็อาจาจะเรียนจากข้างในก็ได้ก็เรียนจากตัวเราเองอยในกรณีของการยึดถือโดยอนุพยัญชนะคือถือส่วนย่อยต่างๆแต่บุคคลแต่ละคนนั้นจะมีความรู้สึกว่าอาวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ของตอนสวนงงยงามหรือดั่นอย่างนี้ก็ทรงสอนให้ดู นแนวของแต่จะปรรยากากรรมฐานที่บูปชายะสอนแก่ผู้บวชในวันบวชนั้นถึงสังเกตว่าต้องการจะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำนัดความยึดติดในร่างกายแต่ก็ไม่เอามามากเพราะส่วนอื่นนั้นไม่ปรากฏแก่สายตาจนคุ้นเคยแต่ผมควรเลือกฟันหนังเป็นสิ่งที่ปรากฏง่ายเข้าใจง่ายดูง่าย แต่บุคคลแต่ละคนก็มีการชำระศาสตรสร้างแก้ปัญหาความปฏิกูลสกปภพของสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วก็พอนึกออกพอดูดักูออกได้แต่การดูนั่นก็ทรงสอนให้ดูตรงไหนมันดูชัดก็ดูสิ่งนั้นจะดูที่ผมได้ชัดก็ดูที่ผมดูที่เล็บได้ชัดก็ดูที่เล็บดูที่หนังได้ชัดก็ดูที่หนังดูที่คนได้ชัดก็ดูที่ขนก็ดูตรงไหนก็ได้ ให้ดูวยเห็นถึงสีถึงสันฐานถึงกลิ่นถึงที่เกิดถึงที่จบของสิ่งเหล่านั้นมันมีการชุ่มแช่ด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ต, ต้องชำระต้องขัดสีสวีบันต้องอบกลิ่นต้องประกบประมงมกันด้วยวิธีการต่างๆแม้สิ่งที่สะอาดสวยงาม ม, มาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ก็พลอยแปดเพื่อนตามไปด้วยและบุกคลก็จะเห็นเป็นความปฏิกูล กันนี้เรียกว่าเรียนในส่วนตัวเร า, เ, ราเองจะเรียนจากตัวเราก็ได้เรียนจา ก, กคนอื่นก็ได้จุดมหมายจริงๆก็คือต้องการจะถ่ายถอนความเกาหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวดร้าในอารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลแต่บางทีคิดอย่างนั้นมันก็คิดแต่ยากตัวใจไม่ยอมรับ จะมีกำลังกิเลสต้านทานอยู่สูงแล้วก็ทรงสอนในรูปของการหลีกเร่นคือไปอยู่สถานที่ที่ห่างไกลต่ออารมณ์ที่ยั่วฉุนเรื่องของกรรมาฐานจึงต้องแยกตัวเองแต่จิตใจแมืมันคงพอก็ต้องแยกตัวเองไปหาความสงบไปได้ก็ อ, อย่าให้รูปเสียงดินรถปตพะที่น่าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจหมุนวนขานขึ้นมาอยู่โดยบ่อย พจะแก้ปัญหาภายในใจให้ได้แต่จริงๆเราก็ทาในแนวนั้นได้ยากเหมือนกันจึงทรงสอนให้สำรวมระวังอินทรีย์อันที่จริงคือสัมมาวยะมะที่กล่าวในตอนต้นนั่นเองในตอนคืนก่อนนั่นเองคือพยายามสำรวมระวังอินทรีย์ข้งตนเอาไว้ เวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิมรส ถ, ถูกต้องยืดอดอ่ด อ, น, อนแข็งหรือถ้าอะไรไม่จำเป็นอย่าไปใส่ใจให้พัถ้าจำเป็นจะต้องใส่ใจก็เป็นการใส่ใจสนใจอย่างรู้เท่าทันเรื่องความจริงที่แ้ความจริงจริงๆแล้วสิ่ ง, งนั้นเป็นอย่างนั้นเพื่อควบคุมใจของตนเองอย่าให้กําหนัดและขัดคือจนเกินไปเฉพาะในที่นี้ก็ทรงสอนให้กาหนัด คือสังเกตว่ากิเลสแห่งแกติกลับไปกลับมาได้สิ่งใดที่เรากําหนัดมากแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปแตกถลายไปหายไปเราจะโศกมากแล้วถ้าบุคคลหรือสัตว์เหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ระหวังเราจะโกรธมากนี่ก็เป็นสูตรธรรมดาคือ เป็นปฏิกิริยาแบบธรรมชาติธรรมดาใากล้ๆกับเราปาลูกบอลเข้าสู่ฝาผนังหรือตะโกนเสียงหรือกิริยาแรงปฏิกิริยาขก็แรงตามมันราคาจัดโทสะมันก็จัดในทีน่นี้ทรงสอนทรงสอนแนวแบบลดราคาซึ่งก็หมาความมันลดโทสะแล้วก็ลดโมหะด้วยแต่ในโมหะไม่ต้องพูดไว้หรือโทสะเองก็ไม่พูดไว้แต่บนโพดเมันเกิด เกิดขึ้นได้เองั้ยจะมุ่งลดเฉพาะส่วนของกาามชันก็ตามประการต่อไปก็คือระมัดระวังในเรื่องพัฒตาอาหารสงสช้คำว่าโอจนาโอชนดะิจมัตันดุมคือต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเพราะอะไรเพราะอาหารนั้นเป็น ปัจจัยสำคัญหรือชีวิตนั้นจะอยู่ได้โดยอาหารแต่อาหารก็สร้างปัญหาสารพัดได้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเปลี่นกรรมฐานนั้นถ้าอาหารมากและประนิตเกินไปเมื่อรับประทานไปแล้วในตอนต้นการนั่งสมาธิจะลำบากเพราะจะถูกความง่วงครอบับก็เรียกว่าเมากลาร เมืม่ออาหารอาการของนิวรคือข้อจีน้มิทะของมง่วงเหงาขำนอนซึ่งซึมหน่อยเหงาหดถูบเครื่อนจนถึงก็หลับไปเลยก็เกิดขึ้นทำให้กายไม่พร้อมเป็นเหตุให้จิตไม่พร้อมกายมันหนักจิตก็หนักตามไปตอนนั้นพออาหารย่อยอเข้าไปแล้วก็ได้เรี่ยวแรงได้กาลังเพิ่มขึ้น แทนที่ใจจะสงบล้วก็ไปออกในรูปของกามะฉันคือจะเพิ่มรู้สึกความกับหนักในอารมณ์ทั้งหลายขึ้นมาจะมีปัญหาที่จะต้องแก้แต่ในตำหนองตรงกันข้ามถ้าหารน้อยเกินไปจะมีปัญหาว่าตอนแรกนั้นจะบุญหงิดคือกระสับกระส่ายที่เราไปพบได้เห็นกันในชีวิตพระโมโหขิว คือหิวแล้วมันโกรธ ง, ง่ายๆจึองออกมาในรูปของปฏิฆะคือความไม่พอใจในสุดกร็รำคาญรำคารก็คิดมากคือกุ้งซ่านฟุงซ่านไปมากรําคาญมากฟุงซ่านมาการําคาญมากามา ก, ก็กลายเป็นโกรธตัวลงวั น, นิวรสองข้อก็เกิดตามในช่วงแรกเปนเหตุให้เกิดอุตจักขุกจักคือฟุงซ่งานกับราคาญ ที่งังําคาญก่อนแล้วก็คุ้สั่สนแต่ในกรณีนี้ในสุดต่อมาก็ออกมาเป็นโปรดโกรดแล้วก็จะเป็นพยาบาทตัวลมอาการมาเป็นกรรมฐานได้ต้องการสงบนิวรณ์เพราะอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไปเพิ่มนิวรณ์จึงทรงสอนให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารใจมากเกินไปและอย่าให้น้อยเกินไป การที่สามคือต้องเพิ่มศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อที่ต้องอยังลงมั่นคงคือในายคุณของพระพุทธเจ้ามองเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าให้เด่นชัดปรากฏแก่ใจกันตัวเอเพราะศรัทธาที่ยังลงมั่นคงนั้นจะมั่นคงมากน้อยหรือน้อยก็ตางในตอนแรกจะขจัดความไม่เชื่อ เรื่องนั้นๆได้นนในผลของการปฏิบัติดังนั้ น, น, นเมื่อก็มีกําลังสูงขึ้นก็จะจัดความเครือบแคลงสงสัยซึ่งเป็นโมหะอีกขวางใจกังเราไว้เรเป็นนิวรณ์อีกตัวหนึ่งแต่พอแกมีกําลังมากบางก็กลายเป็นการสงบกามะชันศรัทธาที่บังคงจึงทําหน้าที่สงบกามะชั น, นแต่ในขณะเดียวกันถ้าศรัทธายอยู่โดดโดด เราก็เดินไม่ได้การปฏิบัติก็เดินไปไม่ได้แต่ไปใช้ความเพียรใช้ความเพียรพยายามนั้นถึงต้องทําทุกขั้นตอนขั้นของการสรํารวมรวงอินทรีย์ก็ต้องใช้ความเพียรต้องทำบ่อยๆทําอย่างตอ่อเนื่องในขั้นของการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ความพยายามที่จะหยุดความอยากคือคุมความอยากที่จะรับประทานต่ออย่าให้ติดในความอาเนจอร่อยว่า คือบอกว่าหยุดก็ต้องหยุดได้อันจะดียังไงก็ตามกือหยุดได้ในขณะเดียวกันการเพิ่มพูนศรัทธาเองก็ต้องใช้ความเพียรในการคิดในการพินิจพิจารณาให้มองเห็นคุณของพระ เ, เจ้าประจักษ์แก่ใจชัดเจนมากริงขึ้นท่านผู้ฟังทั้งหลาย ละรมปปทิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไปบุญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี